คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องราวของเครื่องรางของขลังเนี่ยหลายๆท่านที่เป็นสายอ่าศิลศาสตร์หรือว่าสายพุทธคุณนะคะต้องรู้จักทนสิทธิ์ค่ะทนสิทธ์ก็คือวัตถุใดๆก็ตามที่มีดีในตัวเองโดยไม่ต้องทําการปลุกเสกหรือว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็คดเนี่ยก็จะมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน แต่ว่าในวันนี้นะคะบีเองก็จะนำเสนอเรื่องราวของคดกับตัวอย่างของคดบางชนิดให้คุณผู้ฟังได้ทราบค่ะแต่ว่าเราก็จะมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะคำว่าคดนี่ก็คือหินที่เกิดจากในพืชหรือว่าในสัตว์ ซึ่งเป็นของทนสิทธิประเภทกายสิทธิ์ในตัวเองบางอย่างก็จะมีเทพสถิตรักษาบางอย่างก็ไม่มีเทพสถิตรักษาซึ่งเป็นของอาถรรพ์แล้วก็มีฤทธิ์รองลงมาจากเหล็กไหลค่ะแต่ว่ากลับมีอิทธิคุณบางอย่างที่ดีกว่าชนิดที่หลายๆคนเนี่ยน ะ, ะอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำซึ่งความวิเศษนี้มีผู้รู้ในอดีตปกปิดไว้เป็นความลับทาให้ผู้นิยมในธาตุกายสิทธิ เข้าใจผิดแล้วนะคะแล้วก็คิดกันไปเองว่าอนุภาพของโคดเนี่ยด้อยกว่าเหล็กไหลซึ่งความเป็นจริงค่ะเหล็กไหลชั้นสูงที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุของเหล่าฤาษีผู้ทรงอภิน ญ, ญาเมื่อละสังฐานแล้วจิตก็ผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นส่วนโคดนั้นเนี่ยมีกำเนิดลี้ลับมหัศจรรย์อนุภาพของโคดนั้นก็จะเป็นของวิเศษมีอิทธิฤทธิ์คุณรอบตัวคล้ายกับเหล็กไหลค่ะ แต่ที่กล่าวว่าดีกว่าเหล็กไหลก็คือโคดนั้นจะแผ่พลังปราณออกมาปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเรียกว่าจะดีจะชั่วยังไงก็ตามฉันคุ้มครองช่วยเหลือหมดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งมงคลที่จะช่วยหนุนนําความสิริมงคลให้เจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่รักแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ด้วยกัน จนกว่าจะตายจากกันไปเลยทีเดียวค่ะจากหนังสืออมะตะเครื่องรางแดนล้านนาก็ได้ให้ข้อมูลไว้นะคะที่สืบสารอารยธรรมอย่างต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโคดไว้ค่ะว่าโคดก็คือหินที่เกิดจากพืชหรือว่าสัตว์เป็นของทนสิทธ ประเภทกายสิทธิ์ในตัวเองบางอย่างเนี่ยก็มีเทพสถิตรักษาบางอย่างก็ไม่มีเทพสถิตรักษาอยู่ซึ่งเป็นของอาถรรพ์มีฤทธิ์รองลงมาจากเหล็กไหลค่ะแต่กลับมีอิทธิคุณบางอย่างที่ดีกว่าชนิดที่หลายๆคนไม่คาดคิด ความวิเศษนี้มีผู้รู้ในอดีตปกปิดไว้เป็นความลับทำให้ผู้นิยมในธาตุกายสิทธ์ก็เข้าใจผิดคิดกันไปแล้วค่ะว่าอนุภาพของโคตเนี่ด้อยกว่าเหล็กไา้มีบันทึกอยู่สองชนิดด้วยกันบันทึกชนิดที่หนึ่งก็คือโคตที่เกิดจากพืชค่ะ เป็นของกายสิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสวรรค์เนี่ยบัญชาบรรดานให้เกิดโดยเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เนรมิตขึ้นมามอบให้เฉพาะผู้มีวาสนาครอบครองเป็นของคู่คนมีบุญเฉพาะคนเช่นคดขนุนคดมะพร้าวคดขมิน่นคดมะขามหรือคดส้มป่อยเป็นต้นค่ะแล้วก็บันทึกที่สองก็คือคดที่เกิดจากสัตว์ส่วนที่เกิดจากมนุษย์อันนี้จะไม่ขอกล่าวถึงนะคะ มีกำเนิดมาจากบุพกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆเทวานางฟ้าที่กระทำผิดต่อสวรรค์บางประการแล้วถูกลงโทษให้ลงมาเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ต, ตามผลของกรรมตัวเองที่กระทำมานี่แหละนะคะจะบันดาลให้ไปเกิดเมื่อหมดกรรมแล้วจะอธิษฐานร่างให้เป็นกายสิทธิ์อันเป็นการสร้างทานบารมีก่อนที่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ดังเดิมเช่นคดหอยคดกุ้งคดดักแด้ คดไข่ไก่เป็นต้นค่ะส่วนคดประเภทที่เป็นเขาเป็นเขี้ยวหรือว่าลูกกระตาเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับชีวิตของสัตว์เหล่านั้นเป็นของคู่บารมีสัตว์ตนนั้นเพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองชีวิตแล้วก็ร่างกายให้ปลอดภยัยจนกว่าสัตว์ตัวนั้นจะหมดกรรมลงเช่นเขาวกวางคุดเขากระจงเขี้ยวหมูตันฟันเสือกลวงงาช้างกลวงคดเค้ยวจระเข้คดเคี้ยวสิงโตและก็เพชรตาแมวเป็นต้นค่ะ สำหรับคำว่าคตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามความหมายนะคะว่าหินที่เกิดขึ้นในพืชหรือสัตว์โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ใช่ฟอสซิลที่ถูกทับถมแล้วก็เปลี่ยนสภาพตามการเวลา แต่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในขณะที่พืชและสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่เกิดในช่วงชีวิตของมันเนื่องจากความผิดธรรมชาติจึงมักมีความเชื่อว่ามีพลังอํานาจบางอย่างมาทําให้เป็นแล้วก็พลังอํานาจนั้นต้องมีความเข้มแข็งด้วยนะคะซึ่งบางพวกนี่ถึงกับเชื่อเลยนะคะว่าเป็นการจุติลงมาเกิดในพบมนุษย์ของทวยเทพในลักษณะหนึ่ง วัตถุประเภทนี้จึงมีสปปรรพคุณต่างๆทั้งทางด้านเป็นยารักษาโรคแล้วก็มีอํานาจในด้านต่างๆในสมัยโบราณเหล่านักรบแล้วก็ผู้ที่ต้องเสี่ยงภยัยต่างก็สออแสแวงหาคดชนิดต่างๆมาเพื่อป้องกันตัวตามความเชื่อของแต่ละคนเนื่องจากคดพบได้ในพืชแล้วก็สัตว์จึงมีหลายชนิดที่พอจะค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะอย่างเช่นคตปลวกนะคะคุณผู้ฟัง คดปลวกเนี่ยเป็นที่นิยมเสาะหากันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะค่ะทุกยุคทุกสมัยก็ต้องค้นหาคดปลวกก็เพราะว่าเป็นคตที่มีอนุภาพสูงแม้ว่าจะเป็นคตที่พบเจอได้ยากแต่ก็มีวิธีหาที่ดูเหมือนจะง่ายค่ะคือสมัยก่อนเวลาที่จะหาคดปลวกก็เริ่มสืบเสาะหาจอมปลวกที่มีลักษณะผิดปกติจากธรรมชาติเช่นเป็นจอมปลวกที่ใหญ่โตมา ก, ม, ากมีรูปร่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นอยู่ในที่อาถรรพ์ โดยเฉพาะจอมไหนที่มีคนบอกว่าเฮี้ยนผีจอมปลวกดุนั่นแหละค่ะคนโบราณเขาก็เลยสันนิษฐานเอาไว้นี่ว่าว่าจะต้องมีโคดวิเศษเกิดขึ้นในจอมนั้น หลังจากนั้นก็จะใช้ปืนยิงเข้าไปถ้ายิงไม่ออกหรือว่าออกค่ะแต่ลูกกระสุนไม่ถูกจอมปลวกเป็นอันไดเรื่องเลยนะคะเพราะว่ามีคดเกิดขึ้นอยู่ในจอมปลวกอย่างแน่นอนขั้นต่อมาก็จะทำพิธีบวงสวงขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่จอมนั้นให้รอจนกว่าจะครบ3วันเพื่อให้บรรดาปลวกอพยพทิ้งรังซะก่อนจากนั้นก็จะทาการพลีจอมเอามาหาคดกันต่อไป Umn. คดปลวกเนี่ยเป็นของวิเศษเลยนะดีรอบตัวไม่แพ้เหล็กไหลค่ะใครได้ไว้ครอบครองหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาสูงส่งเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนบางประเภทนะคะก็พยายามจะยัดเยียดให้สเก็ตดาวตกเป็นคดปลวกที่แท้จริงแล้วเนี่ยคดปลวกกับสเก็ตดาวตกนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากโดยสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวนะคะก็เพราะว่ารูปลักษ ของสเก็ดดาวเนี่ยมันจะเป็นรูคล้ายกับรูปลวกก็เลยเหมาเอาว่าเป็นครดปลวกค่ะราค า, าที่เขาหาเล่นหาบูชากันก็เลยแพงกว่าสเก็ดดาวอยู่มากโขทีเดียวสเก็ดดาวตกนั้นมีมากทางภาคอีสานค่ะบ้านเราในบางพื้นที่นะขุดลงไปทําไร่ทําสวนก็เจอกันเป็นกองเลยทีเดียวคุณแต่ใช่ว่าสเก็ดดาวตกจะไม่มีอิทธิคุณ มีพลังแน่ๆแต่ก็ไม่ควรจะมามั่วนิ่มกันแบบนี้เพราะว่านักเล่นครดรุ่นใหม่เนี่ยจะเกิดความเข้าใจผิดได้บี B. เองก็เลยได้แต่บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านให้ทราบความจริงเท่านั้นนะคะส่วนจะนําพาหรือไม่ก็ตามตัวใครตัวมันค่ะสังเกตดีๆไม่ใช่ลาวาหรือแมกมาที่แข็งตัวและไม่ใช่สเก็ตดาวตกที่เป็นดินครปลวกที่แข็งเป็นหินแล้วก็มีน้ําหนักเบานะคะครดปลวกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดก็คือครดปลวกขาว คดปลวกขาวเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนวลเป็นก้อนแข็งมากๆเลยมีขนาดไม่ตายตัวค่ะบางชิ้นมีลักษณะเหมือนกับรังปลวกเล็กๆฝังซ่อนอยู่ในจอมอีกทีหนึง่งแบบนี้จะหาได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครได้พบเห็นอนุภาพคดปลวกขาวเนี่ยจะเด่นในทางเมตาโชคลาภแคลวคลาดมหาอุดแล้วก็คงกระพันตามลาดับนะคะ 2. ค่ะคดปลวกดา โคดปลวกดำเนี่ยจะมีรังสีดําตัวปลวกก็จะมีสีดํามีนิสัยดุมากกว่าปลวกขาวเนื้อของโคดปลวกเนี่ยก็จะมีสีดําเหมือนกันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ไม่แน่นอนแข็งแกร่งมากมีอนุภาพดุดเดียวกับโคดปลวกขาวในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนบางประเภทค่ะอันนี้แหละที่พยายามยัดเยียดสเก็ต ด, ดาวตกแล้วก็โคดปลวกดําให้เป็นอันเดียวกัน ก็คือแท้จริงแล้วคดปลวกดำกับสเก็ดดาวตกมันต่างกันมากโขเลยทีเดียวนะคะอันดับ3คดจอมปลวกค่ะเป็นของกายสิทธิ์ที่ไม่เกิดขึ้นมาให้พบเห็นได้บ่อย ในชีวิตของบีเองหลายปีมาแล้วเพิ่งจะเคยพบเห็นกับตาครั้งแรกนะคะก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่เขา อ, าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นจอมปลวกสีดำขนาดใหญ่นะคะซึ่งกลายเป็นคดทั้งจอมเลยเนื้อเนี่ยละเอียดแข็งกร่งมากขนาดใบเลื่อยใช้ตัดเนี่ยหักพังกันเป็นกองเลยค่ะกว่าจะตัดออกมาได้แต่ละชิ้น จิตวิญญาณที่เฝ้ารักษาอยู่เนี่ยเป็นองค์ฤอษีท่านมานิมิตบอกกับพระบอกว่าให้ไปเอานะเพื่อร่วมสร้างศาสนาสถานที่วัดนั้นยังขาดแคลนอยู่แล้วก็อนุภาพของคดจอมปลวกนั้นก็เป็นของวิเศษดีรอบตัวไม่แพ้เหล็กไหลกันเลยทีเดียวนะคะอีกอย่างนึงคือคดขนุนค่ะเรื่องความเชื่อของคนไทยเราบอกว่าบ้านไหนมีต้นขนุนแล้วชีวิตจะไม่ตกต่ามีสิ่งช่วยหนุนนาทาให้สูงขึ้นดีขึ้นเหมือนชื่อขนุนนั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของดีของคุ้มกายป้องกันภยัยติดตัวหรือบูชาแล้วก็ต้องนึกถึงคดทนสิทธิ์ค่ะคดทนสิทธิ์ในตัวเองเนี่ยองนี้เป็นคดขนุนทองแดงที่มีคุณเพิ่มทนสิทธิ์มากกว่าขนุนแบบธรรมดาก็เพราะว่าทองแดงนั้นเนี่ยคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นของดีของที่เทวดาส่งมาเพื่อช่วยให้ผู้ครอบครองสมหวังดังที่ใจหมายไว้ แล้วทำไมความเชื่อเรื่องโคดรทนสิษย์นี้จึงเกิดขึ้นอ่าอันนี้ก็สงสัยเหมือนกัน B ีก็เลยพยายามเสาอแสวงหานะคะข้อมูลต่างๆแต่ก็มีหลายที่มากๆเลยที่บูชาหินชนิดนี้ทำให้บีก็อยากรู้อยากทราบค่ะที่สำคัญอยากเอาชนะเรื่องความเชื่อนี้แต่ก็พบว่าหินหรือสิ่งที่คนโบราณใช้บูชานั้น แต่มันมากกว่านั้นค่ะมีจุดชี้ชัดเจนแสดงถึงรูปแบบของประเภทของสิ่งสิ่งนี้ได้ที่ผู้รู้หลายท่านเรียกกันว่าโคดทนสิทธิ์ในตัวนั่นเองค่ะ B เคยพบโคตมาหลายๆชนิดในแต่ละชนิดนั้นก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับหินตามธรรมชาติด้วยหรือว่าตามแม่น้ําบึงหนองคลองลําธารป่าเขาทั่วไปแต่ว่ามันมีมากกว่านี้ยกตัว อ, อย่างเช่น โคดทองแดงโคดทองแดงนี่จะมีรูปร่างคล้ายกับเม็ดขนุนเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มมีตาตรงกลางเรียกว่าสะดือแบบนี้จะเป็นมาตรฐานมีน้ำหนักถ่วงมือเหมือนมีนวล น, น้ำหนักมีมวลน้ำหนักอยู่ข้างในเนี่ยนะคะแล้วก็มีคราบมีคราบใครร่องรอยอของการถูกบูชามาก่อนคดเนี่ยจะต้องมีร่องรอยการบูชามาก่อนเท่านั้นนะคะซึ่งในที่นี้ก็แล้วแต่บางอย่างก็ต้องพิจารณาเอกลักษณ์อีกทีนึง ในมิติที่2 ส, สัมผัสแสงมีเนื้อในเป็นก้อนๆที่ไม่ใช่วุ้นเหมือนกับคดกไข่ส่องแดดก็พบว่ามีปรีของเนื้อในของขนุนสีผิวแล้วก็ผิวเนี่ยจะตึงสัมผัส มีสองปุ่มเปลือกนอกเป็นรูระบายหายใจแล้วก็มีสีทองแดงสดใสเป็นธรรมชาติสุดท้ายเลยคุณผู้ฟังขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยข้อนี้คือจุดตายของคำว่าคดทนสิทธ์นะคะจะต้องดูแล้วมีสเสน่มีมน์ขลังหน้าบูชาไม่แข็งทื่อค่ะเหมือนก้อนหินธรรมดาส่วนเรื่องพุทธคุณ น, นี้ก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะส่วนเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อของโบราณที่บีนามาเล่าให้ฟังค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าหลายๆที่นะคะที่มีการนำเสนอผิดเพี้ยนส่วนมากที่หนักสุดเลยก็เห็นจะเป็น เพียงก้อนหินตามธรรมชาติแล้วก็มาแอบอ้างว่าเป็นคตทนสิทธิ์กันผู้ที่จะสะสมหรือว่าอยากศึกษากันเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนหรือว่าปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจเช่าถ้าเราไม่ร่วมสืบสารต่อพุทธศินเหล่านี้อีกหน่อยหนึ่งชนรุ่นหลังก็คงลืมกันไป ต, ตามๆกันนะคะร่วมอนุรักษ์พุทธสินไทยให้คงสืบต่อไปอย่างรุ่นหลังค่ะ นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดทนสิทธ์นะคะทนสิทธ์เนี่ยก็จะเขียนด้วยททหานนอรูนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกคดส่วนหนึ่งก็คือคดพณสิทธ์ก็จะเขียนด้วยทธงแล้วก็นอนูนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้คุณทางด้านของโชคลาภ เรื่องของทรัพย์สมบัติแต่ว่าคดทนสิทธิ์ที่เล่าไปเนี่ยก็จะเป็นด้านเมตตาแล้วก็ด้านอยู่ยงคงกระพันด้านมหาอุดนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวของบีเองก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้มากมายอะไรเพียงแต่ว่าก็ได้ยินได้ฟังผู้รู้เขาเล่ามาให้ฟังแบบนี้แล้วก็เขียนมาให้เราได้ศึกษาแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลทางด้านนี้ ส่วนว่าจะจริงเท็จประการใดก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขออนุญาตเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังทางช n นลพระเจอผีแล้วก็ช n นลสยามตามตำนานได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องของเมษาหาระบาดค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้มคะเมษาหาระบาดนี่แหละ สมัยก่อนนั้นเมื่อถึงเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงที่เกิดอฮิวาตากโรคระบาดรุนแรงทุกปีเลยภาษาทางการขณะนั้นก็เรียกนะฮะว่าไข้ป่วงใหญ่แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าโรคหาค่ะส่วนคนที่เป็นโรคนี้ก็เรียกกันว่าหากิน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 แต่ว่ามีการบันทึกไว้นะคะว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2363และพุทธศักราช2392ได้เกิดอหิวาตากโรคระบาดรุนแรงที่สุดมีคนตายถึงคราวละ 30,000-40,000 คนซึ่งก็นับว่ามหาศารเมื่อเทียบกับจำนวนพลเมืองที่มีอยู่ไม่กี่ล้านคนในขณะนั้นนะคะในปี2363ค่ะอหิวาเกิดขึ้นโดยระบาดมาจากอินเดีย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 แต่ว่าในปี2423ค่ะคุณผู้ฟังในรัชกาลที่5ซึ่งคนไทยนี่พอจะมีความรู้เรื่องการป้องกันแล้วก็จอากำจัดอหฮีวาบ้างกลับมีคนตายเป็นเรือนหมื่นเลยนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั้นกรมสุขาภิบาลก็ได้มีการจัดพิมพ์ใบปลิวออกแจกจ่ายประชาชน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 มีเรื่องเล่ากันนห้ะว่ามีชายคนนึงนี่เกิดพิเรนจับแรงตัวนึงใส่กระสอบแล้วแบกไปที่บ้านฝรั่งตอนก่อนถึงคริสต์มาสสถึงวันค่ะแล้วก็บอกว่ามีไก่งวงมาขายในราคาถูกเป็นไก่งวงที่เลี้ยงไว้ในทุ่งจึงเปรี้ยวมากต้องใส่กระสอบไว้ฝรั่งชะโงกหน้าลงมาดูชายคนนั้นก็เผยาปากถุงให้เห็นหัวแดงตัวใหญ่เท่าไก่งวงเนี่ยดิ้นลุกคลักคลุ ก, ค ล, กคลักอยู่ในกระสอบ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 เรื่องราวของความเชื่อหรือว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับได้ที่ช n n นลพระเจอผีส่วนเรื่องของตำนานอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ที่อ่าช n แนลสยามตามตำนานด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ